สำรวจตัวเราขณะนี้นะว่ามีความทุกข์อยู่ไหมหลายคนอาจจะรู้สึกทุกข์เพราะอากาศหนาวอาจจะปวดเมื่อยเพราะว่าตัวมันกดทับอยู่บนไม้กระดานหรือว่างอเข่าอ น, นี้ถ้าเราสืบสาวดูนะความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นกับเราขณะนี้ แต่ความทุกข์ก่อนน้นนั้นแล้วก็ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็รู้แล้วแต่มีจุดเริ่มนะหรือว่าต้นทางนะที่ผัสสะนะผัสสะก็คือเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนะลิ้นได้รสจมูกได้กลิ่นหรือว่ามีสิ่งมาถูกต้องกายรวมถึง การที่จิตไปรับรู้ความคิดและอารมณ์ต่างๆด้วยความทุกข์ทั้งหมดของมนุษย์นี้มันก็ู้แล้วแต่มีจุดเริ่มต้นที่ผัสสะทั้งนั้นอย่างเช่นที่เราทุกตอนนี้เพราะอากาศหนาวอากาศน้ำมันมาสัมผัสตัวก็เกิดทุกข์แต่ว่าถ้าเป็นทุกข์กายนะเกิดผัสสะปุ๊บนี่มันก็ ทุกขึ้นมาทันทีถ้าเป็นภาษาที่ยาบร้อนหรือว่าบีบคั้นร่างกายแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอัตโนมัติทันทีนะถ้าเป็นความทุกข์ใจนะถ้าเป็นความทุกข์ใจนี่มันไม่ใช่ว่าเกิดภาษาทันทีแล้วจะทุกข์ใจนะมันยังมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านัน้น น, นนะถึงจะทำให้ทุกข์ใจได้ ถ้าเป็นทุกข์กายนี่ก็ก็เรื่องหนึ่งนะพอเกิดผัสสะขึ้นมามันก็ทุกข์เลยนะเรียกว่าทุกขเวทนาแต่ถ้าเป็นทุกขใจนี่มันต้องมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นเกิดขึ้นก่อนนะซึ่งเรียกลมรวมกันว่าการปรุงแต่งหมายค่ว่าเกิดผัสสะแล้วเนี่ยมันยังไม่ทำให้ทุกขใจทันทีนะ มันจะมีการปรุงแต่เกิดขึ้นเช่นว่าหูได้ยินเสียงเนี่ยนะเสียงดังเสียงต่อว่าด่าทอคาตำหนิตีเตียนเวลาเกิดผัสสะขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ทุกกายนะแต่ว่ามันทุกใจเกิดความเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจเกิดความขัดเคืองใจโกรธแต่ว่าทั้งหมดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีที่หูได้ยินเสียงนะ มันต้องมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นก่อนเช่นมีความไม่ชอบพอไม่ชอบเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ตามมาความไม่ชอบนี่อาจจะเป็นด้วยสาเหตุต่างๆก็ได้นะเช่นเสียงเนี่ยม้จะเป็นเสียงที่เพาะเช่นเป็นเสียงริงโทนจากโทรศัพท์มือถือเสียงริงโทนนี่มันเพาะทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่เป็นเสียงด่าไม่ได้เป็นเสียงตะโกนอะไรเลย แต่บางครั้งบางเวลาพอเราได้ยินแล้วเนี่ยเราก็ไม่พอใจไม่ใช่เพราะเสียงมันไปกระแทกสวดประสาทแต่พอได้ยินแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะมีความไม่พอใจ ม, มีความไม่ชอบไม่ชอบอะไรเพราะว่าอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกับกาลเวลา ทำมบัน đ ังตอนนี้นะขณะที่กําลังสวดมนต์ขณะที่กำลังฟังธรรมขณะที่กําลังดูโทรดูหนังนะเวลาดูหนังเนี่ยนะมีเสียงแทรกเข้ามาไม่ใช่เป็นเสียงที่เพาะแต่ว่าพอเราได้ยินละเกิดผัสสะขึ้นมาแล้วเนี่ยมันทุกข์เลยเป็นความทุกข์ในสางความขัดเกลือนใจเพราะอะไรเพราะมันไม่ชอบเนี่ยมันมีความชังเกิดขึ้น คือถ้าไม่มีความชังเกิดขึ้นก็ไม่มีความทุกข์เมื่อได้ยินเสียงไอ้ตัวความชังนี่ก็ถือว่าเป็นการปรุงแต่งอย่างหนึ่งนะพอาะาเราศักแต่ ว, ว่าได้ยินเนี่ยมันก็ไม่มีความทุกข์ไม่ว่าจะทุกกายหรือทุกใจแต่พอมีความชังเกิดขึ้นแลน้วนี่ก็ทุกเลยนะเมื่อได้ยินแล้วความชังเกิดขึ้นเพราะอะไรนะมันก็มีเหตุหลายอย่าง ซึ่งก็เรียวเป็นความปรุงแต่งเช่นเดียวกันเช่นการให้ค่าให้ค่าว่าสิ่งแบบนี้ไม่ดีเสียงโทรศัพท์ดังขณะที่กำลังสวดมนต์ขณะที่กำลังนั่งสมาธิขณะที่กำลังดูหนังขณะที่กำลังประชุมอยู่เนี่ยเราก็ให้ค่าไม่ดีเพราะว่ามันผิดกาลเทศะบางทีก็คิดต่อไปว่าเนี่ยคนเจ้าของโทรศัพท์นะไม่ ไม่มีมารยาทไม่ปิดโทรศัพท์หรือว่าพูดคุยกันระหว่างที่กำลังแสดงธรรมพูดคุยกันระหว่างที่กาลังดูหนังกำลังประชุมเสียงน่าจะเบามันไม่ได้ทำให้เกิดทุกขเวทนาทางกายเลยแต่ว่าเกิดความทุกข์ใจแล้วเพราะมันมีการให้ค่าตีค่า หรือตัดสินว่าเสียงนี้ไม่ดีการกระทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องก็ไม่ชอบนะพอไม่ชอบแล้วมันยังอยู่ยังไม่ดับยังไม่เลิกก็เกิดความขัดเคืองใจรูปก็เหมือนกันนะนะรูปเนี่ยถ้าเราชอบเห็นเราก็ดีใจสบายใจเช่นเห็นภาพวิวชูทัศเห็นเพชรนินจินดานะเห็นแล้วสบายใจ พอเราให้ค่าวันเนี่ยทิวทันนี้ดีสวยงามเป็อนอินจินดานี้ดีนะหรือว่าเห็นพระพุทธรูปเนี่ยเราก็รู้สึกสบายใจเป็นสุขพอเราให้ค่าว่าพระพุทธรูปเป็นสิ่งสวยงามแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นคนต่างศาสนานะเห็นพระพุทธรูปก็จะมีความทุกข์ความไม่พอใจก็ได้ เพราะเขามองว่านี่เป็นการนี่เป็นการเคารพสักการะสิ่งที่เรียกว่าลู ก, กเคารพนศาสนาเขานี่ก็ถือว่าการไปบูชาลูกเคารพนี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเป็นสิ่งที่ขัดกับศาสนาของเขาเขาขให้ค่าแบบนี้เขาเห็นพระพุทธรูปเขาก็มีความขุนเคืองใจขัดใจหรือว่าบางคนเวลาเราเห็น เวลาเราเห็นขยะปฏิกูลนะเราก็ไม่ชอบผลิตภัณฑขยะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่บางคนนี่ขยะนี่เขากับดีใจนะเพราะว่าก็เป็นชาวสวนนะขยะนี่เอาไปทําปุ๋ยได้เ <c oughs> ขาให้ข้าวขยะเป็นสิ่งที่ดีหรือเขาจะเป็นซาเล้งก็ได้นะซาเล้งนี่ขยะก็หมายถึงรายได้ของเา้าหมายถึงอาชีพของเขามีขยะ <c oughs> เห็นขยะเขาก็เกิดความดีใจ เห็นจะได้ว่าเพียงแค่เห็นตาเห็นรูปเช่นขยะเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะทําให้ทุกทันทีนะก่อนจะทุกได้เนี่ยมันต้องมีการให้ค่าว่าไม่ดีไม่ถูกต้องไม่สวยคนหนึ่งเห็นเห็นขี้เห็นแล้วก็ขยะขแขยงเพราะว่าให้ค่าว่าขยะ ข, ข, ข, ข, ขี้เนี่ยมันสิ่งที่ไม่สวยงาม สกปรกไม่ดีแต่ถ้าเป็นชาวสวนหรือเป็นโดยเพพาะอย่างในเมืองจีนเนี่ยเห็นขี้นี่เขารู้สึกเฉยเฉยหรืออาจจะรู้สึกดีด้วยซ้ำนะเพราะว่าอันนี้หมายถึงปุ๋ยนะที่จะไปใช้ผสมลดผักนะทำสวนได้เขาให้ค่าว่าขี้มีประโยชน์นะจำเป็นต่ออาชีพของเขา นั่นจะได้ว่าเพียงแค่ตายเห็นเห็นรูปเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ทุกใจทันทีนะมันมีกระบวนการก่อนหน้านั้นที่เรียกรุมเว่าการปรุงแต่งนะเช่นการให้ค่าว่าดีไม่ดีหรือมีการตัดสินนะว่าไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราเห็นเฉยเฉยนะไม่มีการให้ค่าไม่มีการตัดสินว่าดีหรือไม่ดีนะมันก็ ไม่ทำให้ทุกใจแต่อย่างใดใจก็ปกติได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยที่จริงก็คือการที่เราฝึกในการเห็นหรือการรับรู้สิ่งต่างๆโดยไม่ตัดสินนะมีความคิดดีเกิดขึ้นก็ช่างมันมีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นก็ช่างมันอันนี้หลวงพ่อท่านสอนเอาไว้คําว่ารู้ซื่อเนี่ยก็คือการที่ รับรู้โดยที่ไม่ตัดสินว่าดีหรือชั่วแค่เห็นมันเฉยๆเวลามีความโกรธเกิดขึ้นนะเราก็เห็นมันเฉยๆมันก็ไม่ทำให้ทุกข์ใจอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดสินว่าหรือมีการให้ค่าว่าความโกรธไม่ดีโดยพระนักปฏิบัติธรรมโกรธไม่ได้นะอิจฉาไม่ได้เราเป็นคนดีเราต้องไม่อิจฉาเราต้องไม่โกรธเราต้องไม่ ไม่เกลียดใครพอความกรัเกิดขึ้นนะความเกลียดเกิดขึ้นนี่ก็ขุนเคืองใจละไม่ชอบที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่รู้สื่ อ, อแล้วนะและถ้าเกิดว่าไปทำอะไรกับมันเช่นชิงชังต่อความรู้สึกแบบนั้นก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ปฏิบัติด้วยความเครียดแลาต้องเข้าใจนะว่าในกระบวนการปรุงแต่งเนี่ยมัน เป็นตัวผสมรรงที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาลําพังแค่ภาษาเนี่ยไม่เท่าไหร่ไม่ถึงกับไม่ไม่ทำให้ทุกข์ใจทันทีแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจนะก็พยายามไปควบคุมภาษาเอาไว้ไม่ให้ตาเห็นรูปไม่ได้ไม่ให้หูได้ยินเสียงที่ชวนให้ขัดเคืองใจพยายามที่จะควบคุม สิ่งวันล้อมเพื่อไม่ให้ตนเองเนี่ยไปรับรู้กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจที่เรียกว่าอนิจฐารมอย่างเช่นเวลานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาก็พยายามควบคุมไม่ให้เสียงดังหรือว่าอยู่ในห้องแอร์นะเพื่อกำจัดเสียงอันนี้พอไปคิดว่าเนี่ยถ้าหากมีเสียงมากระทบหูแล้วเนี่ย จะทำให้ใจไม่สงบที่จริงก่อนที่ใจจะไม่สงบหรือเป็นทุกข์เนี่ยมันก็มีการปรุงแต่งก่อนไม่ใช่ว่าหูได้ยินแล้วเนี่ยมันจะทุกข์เลยเนะมันไดมีการปรุงแต่งว่าเสียงแทรกเข้ามานั้นไม่ดีนะมันจะเป็นอริต่อการปฏิบัตินะแต่ก็ไม่จำเป็นนะเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าเนี่ยนะคนที่ไป สังเวชนีสถานเนี่ยโดยพระพุทธคยาเนี่ยหลายคนเขาก็สามารถเทียนั่งอย่างสงบหลับตาพริมนะจิตเป็นสมาธิทั้ท ง, งที่เสียงบริเวณนั้นก็ดังเนะีเสียงสวดมนต์ของผู้ที่เดินประทับศิล น, นะไม่ได้สวด ป, ป, ปาปานะี่ยบางทีก็มีไมโครโฟนเครื่องขยายเสียงเนื่องจากลุ่มคนไทยนเนี่ยต้องติดเครื่องขยายเสียงเอาไว้เพราะว่ากลุ่มใหญ่ต้องการให้สวดพร้อมเพรียงกัน บางทีก็มีการทำวัดสวดมนต์เช่าสวดมนต์เย็นน ะ, ะที่หน้าพระตนพระศรีมหาโพธิ์แถมมีแสดงธรรมไม่เฉพาะไทยนะยังมีลังกาเขมร น, นะพะมาะ่าทิเบตเสียงดังระงมเลยแต่ว่าคนที่นั่งสมาธิอยู่รอบๆนี้เขาก็ไม่ไหวติงเลยนะจิตเขาก็สงบได้ ถามาหูเขาไม่ได้ยินเสียงหรือนะหูก็ได้ยินผัสสะก็เกิดขึ้นแต่ว่าใจเขาเนี่ยนะไม่ได้ปรุงแต่งไปในทางลบนะกับเสียงนั้นนะไม่ได้คิดว่าเป็นเสียงไม่ดีไม่ได้คิดว่าเป็นเสียงรบกวนกับรู้สึกว่าเป็นเสียงที่ดีได้วยซ้ำเป็นเสียงของการสวดมนต์บูชาพระตนไตรนั่นพอใจพอจิตนี้ไม่ได้ให้ค่าหรือปรุงแต่งไปในทางลบเนี่ย แม้หูได้ยินเสียงแต่ใจก็สงบได้นะคำความวิจารณ์คำติถิงก็เหมือนกันนะหลายคนพอหูได้ยินเนี่ยนะก็ไม่พอใจเลยแต่ที่ไม่พอใจไม่ใช่เพียงเพราะว่าหูได้ยินเท่านั้นนะพอหูได้ยินแล้วมันมีนมนมนมการให้ค่านะหรือมีการอาการผลักไสไม่ชอบอคำพูดเหล่านั้น แต่ถ้าคนบางคนเนี่เขามองว่าเออคำวิจารณ์นี่เป็นของดีนะมันเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ฉันรู้ว่าจะปรับปรุงตัวเองอย่างไรหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มาช่วยเตือนสตินะไม่ให้หลงตัวลืมตนหรือว่าเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่แสดงว่าครูบาอาจารย์เนี่ยนะใส่ใจนะ อยากจะให้ฉันได้ดีพอถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยนะได้ยินเสียงคำวิจารณ์คาทักทวงก็ไม่ถูกแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะมีการให้ค่ามีการตัดสินว่าคำพูดเหล่านี้มันไม่ดีนะไม่อยากฟังพอไม่อยากฟังแล้วหูได้ยินเข้ามันก็เกิดอะไรขึ้นเกิดความขัดเคืองเกิดความไม่พอใจเกิดความน้อยใจ ทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่อาชี้ว่าลาพังแค่ผัสสะอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เกิดความทุกข์ใจทันทีนะถ้าเป็นทุกข์กายก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นทุกข์ใจเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการปรุงแต่งและปรุงแต่งที่สองมาคื อ, ค, อคือการดึดมั่นถือมั่นนะว่าเป็นตัวกูของกูนะีอันเนี่ยเป็นตัวใหญ่เลยนะ เป็นการปรุงแต่งที่ใหญ่มากที่สำคัญมากที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจทั้งมวลเวลาอากาศหนาวกระทบหนังเนี่ยกระทบผิวเราเนี่ยนะมันทุกข์กายก็จริงนะแต่มันก็จะทุกข์กายแค่นั้นมันไม่ทำให้ทุกข์ใจถ้าไม่มีการไปยึดว่าเนี่ยไอความหนาวความทุกเนี่ยเป็นเป็นเราเป็นของเราแทนที่จะเห็นว่าร่างกายมันหนาวก็ไปคิด ปรุงแต่งว่าเนี่ยกูหนาวกูหนาวไอความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันทําให้ทุกใจและที่สําคัญมากมาแบบนี้ก็เพราะว่ามันมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นนะมันมีการปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นเป็นผู้หนาวเป็นเจ้าของความหนาวหรือเวลามีความปวดเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปวดกายเฉยเฉยนะถ้าปรุงแต่งว่าแปล ว, ว่ามีกูเป็นผู้ปวดนะ มันก็ทำให้ปวดใจตามมาด้วยตัวกูเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงนะมันเกิดจากการปรุงแต่งแต่พอปรุงแต่งแล้วเนี่ยมันก็มีอิทธิพลต่อจิตใจของเราทั้งที่มันไม่มีจริงนะเช่นเราอยู่ในอยู่ในกุฏิคนเดียวนะกางค่มกลางคืนกุฏินี้ก็ไกลด้วยหลายคนก็ปรุงแต่งเลยนะว่ามันมีสัตว์ร้ายอยู่ข้างนอก มันมีคนที่มุ่งหมายจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับเราหรือว่าปรุงแต่งไปว่ามีผีนะจะมาหลอกล้อเราทั้งหมดเนี่ยไม่มีจริงนะไม่มีอะไรอยู่ข้างนอกเลยนะแต่พอปรุงแต่งว่ามัน ม, นมีมันมาก็กลัวเลยนะแต่คนเราเนี่ยกลัวเพราะความคิดของตัว หรือว่าพูดงากลัวการปรุงแต่งกลัวเพราะการปรุงแต่งนะไอ้ตัวกูก็เหมือนกันนะตัวกูมันไม่มีจริงแต่พอปรุงขึ้นมาแล้วนี่มันก็เกิดเรื่องขึ้นมาเลยนะเพราะตัวกูนี่มันก็จะไปยึดเอาความทุกข์กายว่าเป็นตัวกูทุกนะเป็นกูทุกกูทุกกกูเจ็บกูปวดกูเมื่อตลอดเวลารวมทั้งกูหนาวด้วยไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้ทุกข์ใจ คนที่ถามว่ากระบวนการปรุงแต่งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะและจะรับมือกับมันได้อย่างไรนะที่มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะความหลงนะเป็นเพราะความหลงแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสตินะเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยให้การปรุงแต่งก็เกิดขึ้นไม่ได้ไอกระบวนการปรุงแต่งเนี่ยถ้าถ้าอธิบายตามหลักปฏิจจสมุป บ, บาทแล้วเนี่ยนะ นั่นก็จะเห็นเลยนะว่ามันเป็นสายที่ยาวเมื่อเกิดผัสสะแล้วก็มีเวทนาแล้วก็ตัณหาอุปาทานพบชาติชรามรณะแล้วจึงเกิดทุกโธมันขึ้นมาแล้วจากผัสสะเนี่ยไปถึงทุกเนี่ยมันผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนมากซึ่งถ้าเรียกง่ายๆคือเรียกว่าการปรุงแต่งนบางคนนี่เห็นปฏิจจสุบาแล้วก็ รึกว่าเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าขั้นตอนมันเยอะมากนะแต่มันก็สอนเราได้ดีนะว่าลําพังแค่ผัดสางเดียวมันไม่ทําให้ทุกทันทีนะอาจจะทุกอาจจะทุกทางกายนี่ใช่นะแต่ว่าถ้าเป็นทุกทางใจนี่ที่เรียกว่าทุกทอมันอุปายาตเนี่ยมันผ่านหลายขั้นตอนมากซึ่งเรียกรวมๆว่าการปรุงแต่งนะไอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยการให้ค่าหรือว่าการ ตัดสินหรือว่าการยึดติดถือมัน่นว่าเป็นตัวกูของกูนี่มันก็โดยละเอียอยู่ในขั้นตอนที่ว่ามาทั้งสินนะถือตั้งแต่ตัณหาอุปาทานพบชาติแล้วถ้ามีพบชาติแล้วเนี่ยมันก็มีฉลามมรณะแล้วก็ทุกมาเนี่ยแต่ก็ว่าถ้าเกิดเราไม่อยากให้ทุกเนี่ยเราก็ต้องตัดขั้นตอนนี้ตัดกระบวนการนี้ให้มันขาดหรือไม่ให้มันต่อนเนื่องโดยเพราะตอนที่เกิดผัสสะแล้วมีเวทนาเนี่ยนะ ถ้าเรามีสติมาขั้นกลางนะมีเวทนาปุ๊บมีสติขั้นกลางเนี่ยมันก็ไม่ปรุงแต่งนะเป็นกูทุกข์กูปวดกูเมื่อยนะกูหนาวมันก็มีแต่ความรู้สึกหนาวที่กายมีแต่ความรู้สึกปวดที่กายที่ขาที่เท้านะแต่ว่ามันไม่มีตัวกูผู้ปวดเพราะอะไรเพราะมีสตินะขั้นกลางเอาไว้หรือเป็นตัวเป็นตัวที่ตัดนะกระบวนการนี้สติคือ ค, อความ สติทาให้เกิดความรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยนะมันก็คือไม่หลงตัวเองถ้าหลงเมื่อไหร่นะมันก็มันก็ปรุงเลยนะมันก็ปรุงแต่งขึ้นมามีความชอบมีความชังนะหรือว่ามีการตัดสินว่าไม่ดีไม่ถูกต้องมีการปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นเจ้าของนะไอความทุกข์เหล่านี้นะจริงๆแล้วมันมีแต่ความทุกขนะ์น้าแต่ไม่มีผู้ทุกข์นะ สวัสดปรมาปรมาแล้วนี่ยมันมีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์แต่เพราะความหลงหรือเพราะวิชาเนี่ยมันก็เลยปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ทุกข์นี่เราต้องเข้าใจในกระบวนการกระบว น, น, นการที่ทําให้เกิดทุกข์ใจขึ้นมาซึ่งเราก็ต้องหาทางที่จะตัดไม่ให้มีการปรุงแต่งเกิดขึ้นสติเนี่ยเป็นตัวสําคัญความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นตัวสําคัญ ถ้าว่าเรามีเรามีสติและมีความรู้สึกตัวได้รวดเร็วฉับฉับพลันเนี่ยฉับไวเนี่ยในโดยเพราะเวลาเกิดภัตตาขึ้นมานั้นก็จะการไม่ให้อ่าเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ตรงนี้แหละที่เขาเรียกอินเซียสังวรนะอินเซียสังวรคือหรือเทียบแปลงง่ายๆว่าสํารวมอินรียเวลาเราพูดถึงสํารวมเนี่ยเราก็มักจะหมายถึงการควบคุมนะ ร่างกายควบคุมวาจาแล้วก็เลยจะไปเข้าใจว่าสํารวมอินทรีย์ก็หมายถึงการไปควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายจะลิ้กายแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นการรักษาใจไม่ให้ไม่ให้ใหอกุศนครอบงำนะเวลาตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงนะตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงได้นะแต่ว่าให้มีสติรักษาใจเอาไว้หรือแม้กระทั่งเวลาใจมันเผลอคิดนึกเรื่อง ที่เป็นอดีตบ้างทำให้เศร้าใจนึกไปถึงอนาคตเที่ยงมาไม่ถึงแล้วเกิดความกังวลอัง น, นี้เรียกผัสสะกันนะแต่ถ้าว่ามีมีสติเนี่ยมันก็จะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็วางมันลงหรือว่าไม่ปรุงแต่งไปยึดเอาอารมณ์นั้นเป็นตัวกูของกูขึ้นมาใจก็เป็นปกติได้นะแล้วก็นาไปสู่การวาง การวางอารมณ์ต่างๆุวงทั้งกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะไม่ไปยึดติดกับอดีตหรืออนาคตคราวนี้นอกจากสติแล้วเนี่ยสิ่งอีกหนึ่งที่จะช่วยได้คือว่าเราเปลี่ยนการปรุงแต่งนั้นจากลบให้เป็นบวกซะอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะว่าหลายคนทุกเวลาได้ฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ก็เพราะว่ามีการตัดสินให้ค่ามาในทางลบแต่ถ้าเรามองไปในทางบวก ให้ค่ามันในทางบวกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีนะมีประโยชน์นะต่อตัวเรามันเป็นเครื่องหมายถึงความใส่ใจที่ครูบาอาจารย์พ่อแม่มีกับเรานะเราก็ยินดีนะเราก็น้อมรับความวิจารณ์ได้ยินแล้วเราก็มีความสุขหรือว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้เสียใจอะไรอย่างมีเศรษฐีคนหนึ่งนะที่เป็นเจ้าของเมืองูมราเนี่ยเคยเคยพูดไว้นะว่าวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอภิมงคล เขามองว่าคำตำหนิเป็นมงคลเพราะฉะนั้นเวลาเ้าได้ยินคำตำหนิเนี่ยเขาก็ไม่ทุกนะเพราะว่าเขามีการให้ค่ามาในทางบวกการให้ค่าว่าคำวิจารณ์นี่เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยก็คือการให้ค่าในทางบวกซึ่งพอได้ยินหูได้ยินนะใจก็เลยไม่ทุกนะบางทีเราก็ต้องอาศัยการนึกเอาเหมือนกันนะการนึกเอาในทางบวก เพื่อทำให้ใจเราไม่ทุกข์นะเวลาเกิดผัสสะขึ้นมาหรือรับรู้สิ่งเหล่านี้อย่างที่เคยเล่าเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นมะเร็งนะแล้วเขาต้องใช้การฉายแสงการฉีดเคโมที่แรงมากซึ่งหลายคนที่เจอแบบนี้ก็แพ้อย่างแรงแพ้อย่างหนักแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นหัวหน้าพยาบาลนี่เขาไม่มีอาการแพ้เท่าไหร่เลยคนก็แปลกใจว่าเขาทาได้อย่างไรทาไมเขาถึงไม่แพ้ เขก็ตอบว่าพอเวลาเขาได้รับการฉายแสงเนี่เขาก็มองว่าเขากําลังได้รับแสงสวรรค์เวลาก็ฉีดเคโมโเนี่ยเขาคิดว่าเขากําลังได้รับน้ําทิพต์เขามองไปในแง่บวกนะพอมองในแง่บวกใจก็ยอมรับใจไม่กลัวพอใจยอมรับการมันก็ยอมรับได้ง่ายขึ้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยกลัวยิ่งได้ยินกิตติศัพท์ว่าอฉายแสงเคโมนี่มันทําให้แพ้นหนักเนี่ยไม่ทันจะโดเลยนะ ก็กลัวแล้วจิตมันต่อต้านแล้วนั้นพอจิตต่อต้านเนี่ยร่างกายมันก็ไม่รับร่างกายก็ปฏิเสธเมื่อเกิดอาการแพ้ขึ้นมาอันนี้ก็เลยมีการปรุงแต่งในทางลบก็เลยทําให้อาการทุกข์มากขึ้นแต่ว่าน่าพยาบางที่แกปรุงแต่งในทางบวกนะมองว่ามันคือแสงสว่างน้ําทิพย์ก็ทําให้ใจไม่ทุกขเวลาไปรับการฉายแสงไปฉีดเคมร่างกายมันก็รวมมือได้ ร่วมมือด้วยนะเนี่ยถ้าเราเวลาเจอสิ่งที่เราสิ่งที่ไม่น่าพอใจเนี่ยนะถ้าเราลองปรับใจเราเนี่ยถ้าว่ายังหยุดการปรุงแต่งไม่ได้ก็ให้ปรุงแต่กไปในทางบวกนะมันมีหลายอย่างนะที่เราสามารถที่จะใช้การปรุงแต่ในทางบวกเนี่ยเพื่อรับมือมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะว่าวันนั้นมันเป็นวันวันเสาร์นะแดดร้อนตอนบ่าย เดือนเมษาร้อนตจนเขาต้องมานั่งอยู่ในห้องแอร์ขณะอยู่ในห้องแอร์นี่ก็ยังร้อนนะรู้สึกอ้าวในจู่ๆก็ได้ยินเสียงไเพลงเรียกที่หน้าบ้านพอหูได้ยินเสียงเนี่ยเขาไม่พอใจเลยที่ไม่พอใจเพราะอะไรเพราะเขาคิดต่อไปว่าเขาต้องไปเดิอนออกไปหน้าบ้านเพื่อไปรับจดหมายซึ่งข้างนอกมันร้อนแดดก็แรง พอคิดแค่นี้ก็เกิดความขุนเคืองใจไม่พอใจขึ้นมาคือลำพังได้ยินเสียงไปรษณีย์เรียกเนี่ยมันไม่ทุกนะแต่พอคิดต่อไปว่าเนี่ยไอเสียงนี่หมายถึงว่าฉันต้องออกไปรับจดหมายแล้วต้องไปเจอแดดเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจเกิดความขัดเคืองใจแต่ไปรษณีย์เนี่ยเขารู้นะว่ามีคนอยู่เพราะว่ามีรถจอดอยู่ข้างในแล้วก็ประตูบ้านข้างในก็เปิด เขาก็เลยรอไม่ได้รอเปล่าเปล่าเขาก็ร้องเพลงด้วยร้องเพลงลูกทุ่งเนะจ้าของบ้านนี้ก็พอรู้ว่าไปสนีไม่ไปแน่นะก็เลยต้องเดินออกไปรับนะพอเดินออกไปเจอแดดนะเจออากาศอ้าว น, นี่ก็ก็หงุดหงิดเลยพอรับจดหมายเสร็จก็เลยถามไปสณีนะว่าอากาศรบอบแบบนี้เธอมีอารมณ์ร้องเพลง ปัณคนนั้นเนี่ยซึ่งตัวเนี่ยชุ่มไปด้วยเหงื่อนะแต่ว่ากลับพูดได้อาการยิ้มแย้มนะเขาพูดไปน่าคิดมากเขาบอกว่าเนี่ยโลกมันร้อนแต่ว่าถ้าใจเย็นมันก็เย็นครับผมร้องเพลงแล้วมันใจเย็นครับอากาศร้อนเนี่ยแต่ว่าไม่ทําให้ใจเป็นทุกข์เพราะว่ามันร้อนแต่กายใจไม่ร้อนที่ใจไม่ร้อนใจไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะเขาร้องเพลงอาการร้องเพลงก็เป็นการปรุงแต่งจิตใจแบบหนึ่งนะทําให้มันเป็นบวกคนหนึ่งเจอแดดร้อนแต่ว่า ใจไม่ทุกนะแต่คนอยู่ในห้องแอร์นี่แต่กับใจร้อนเผาเนี่ยมนันแปลว่าเนี่ยเพียงแค่เกิดผัสสะขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะทําให้จะทุกข์ใจไปทีเดียวนะมันต้องมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นแต่ถ้าเราและถ้าเรารุ้นหลักอันนี้เนี่ยนะแทนที่เราจะปล่อยใจให้ปรุงแต่งไปในทางลบนะเราก็ปรุงแต่งในทางบวกซะหรือไม่ก็อยู่การปรุงแต่งซะเลยนะด้วยการมีสติมีความรู้สึกตัว นะอันนี้คือกระบวนการของความทุกข์ที่เราควรจะเข้าใจนะผู้คนส่วนใหญ่ไม่ชอบทุกขนะ์นแต่ว่าไม่รู้จักทุกข์ดีพอถ้ารู้จักทุกข์ดีพอก็จะเห็นว่ากระบวนการเกิดทุกข์เนี่ยนะมันไม่ใช่ว่ามีผัสสะเกิดขึ้นแล้วมันจะทุกข์ทันทีแต่ว่ามันยังมีกระบวนการที่เกิดขึ้นในใจเราที่ทำให้ทุกข์ หลายคนไม่อยากทุกเกลียพยายามควบคุมเสิ่งวัน้อมภายนอกเพื่อว่าตาจะไม่ได้เห็นลูกหูไม่ไดินเสียงที่ไม่น่าพอใจนะบางทีสอนลูกก็พยายามสอนพยายามควบคุมบังคับสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้ลูกเนี่ยเจอลูกรดกินเสียงที่ไม่น่าพอใจที่กระตุ้นทําให้เกิดกิเลสทําให้เกิดความเศร้าหมองแต่ไม่ได้สอนลูกหรือไม่ได้สอนตัวเองว่าให้รู้จั ก, จกนะจัดการที่กระบวนการปรุงแต่งภายใน โดยอาศัยการมีสติโดยอาศัยการรู้จักคิดมองหรือปรุงแต่งในทางบวกซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันควบคุมได้ยากนะจะไปควบคุมลูกไม่ให้เห็นภาพโป้ภาพเปือยนะหรือว่าภาพที่ไม่น่าดูเนี่ยมันยากละเพราะว่ามันเข้าถึงได้ทุกคนทุกแห่งทุกเวลาด้วยสมาร์ทโฟนด้วยคอมพิวเตอร์นะก็ต้องสอนนะให้เด็กเขารู้จักรับมือกับภาษะนะด้วยสตินะ ด้วยการวางใจที่ถูกต้องก็ทำให้ใจไม่ทุกข์ได้เมื่อตาเห็นรูปหรือว่าหูได้ยินเสียงใจก็เป็นปกติไม่เศร้าหมองไม่คุณมัวหรือว่าไม่ตกตามไปในทางลบนะแล้วเราก็ต้องสอนตัวเองแบบนี้ด้วยนะโดยพนักปฏิบัติเนี่ยเราจะไปพึ่งพาสิ่งวัตล้อมอย่างเดียวไม่ได้จะไปพึ่งพาสถานที่สงบอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องรู้จักฝึกใจนะเพื่อที่จะ ไม่ให้ปรุงแต่งเวลาหูได้ยินเสียงนะหรือว่าตาเห็นรูปหรือว่าถ้ายังหยุดการปรุงแต่งไม่ได้ก็ให้มันปรุงแต่งไปในทางบวกซะนะเสียงฝนเสียงเสียงคนพูดแทรกเสียงเครื่องยนตนะ์ถ้ายังมีสติรู้ทันใจที่กระเพื่อมเพราะเสียงเหล่านะั้นไม่ได้ก็ลองปรุงแต่งในทางบวกเออสิ่งเหล่านี้ที่เข้ามาฝึกใจเรานะก็มาฝึกใจให้เรามีความอดทนให้เรามีความให้เรามีขันติ เป็นเครื่องฝึกสติของเราพอมองไปในแง่บวกบันที่ใจก็ยอมรับมันได้ไม่ผักใสก็ทำให้อยู่กับเสียงนั้นได้โดยที่ใจไม่ทุกข์นะเอาละชาตินี้พูดกับท่านี้นะครับระ